ความสำคัญของกิเลสจึงทำให้ผิดไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย่ยอมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งที่จะเป็นไปให้ประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจ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 คนนี้มีความขยะกขยงต่อสิ่งที่ไม่คุณมป่าถนาแล้วก็ไม่กล้าทำแต่ผู้ที่วัดตายแล้วสูนย์นี้รู้สึกจะศูนไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นหายใจแล้วก็หมดปัญหาการทําบุญทําบาปยิ่งไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันอาจจะทําอะไรแล้วก็ทําตาม ได้ชอบพู้นี้ชื่อว่าความคิดเช่นนี้ชื่อว่าการทำลายตนเองไปในตัวนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีสิ่งสิ่งทั้งหลายเที่ยงรือพกทิฏฐิต่างๆจ้าวทิตฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ตายแล้วศูนย์บ้างตายแล้วเกิดม้างทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงและสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นแบบ น, นี้ถึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนด้วยไปเที่ยงต่อกาเนิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไปหมดเลยนี่กเป็นเรื่องของความสําคัญไม่ใช่ความจริง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 ว่าความคิดแค่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปหมดที่น่าเชื่อไว้เชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่มงมงายนี้มานานยิ่งเรื่องคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสําหรับผู้มีค่า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 เป็นการก่อควรมตัวเองฟุ้งซ่านมากก่อควรมมากทำลายตนเองมากให้พยายามระงรับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์ที่จะทำให้ฟุง้งซ่านนั้นเสียอีกก็ย่อมมีทางสงบลงได้พราจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานพักงานวุ่นนี่มีเพียงครันี้ ก็พอทราบเรื่ต้นหนขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลำดับก็ย่อมทราบจิตและทราบธาตุทราบขันเรื่องของธาตุของขันไโดยลาดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันเป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน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 มันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยนะ่ะสำคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียวตัวกิเลสจริงๆมันก็มีคืออวิชมีอวิชชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่ น, นั่นน่ะเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชาพยายามตาัดมันแตกไปทางตาทางหูทาง่างต า, ต า, ตานี่มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแขนงเหมือนกันรูปอะไรบ้างนี่มันแตกกระจายไปมากมายกายกองแต่มันออกไปทางตา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 ไม่ทราบมากก็น้อยสําคัญที่เจตนาสําคัญที่ความจดจ่อจะทําให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ต้องไม่ทราบมากก็ต้องทราบน้อยทราบไปแล้วโดยลำดำดำําดับๆมันก็มากไปเองค่อยขาดไปทราบวงไหนแล้วมันก็ค่อยละล้นละกันไปเรื่อย ๆ, ๆจนกระทั่งตัดขาดกันไปนี่แหละท่านว่าตัดขี้เหลียดท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวก็เราตัดรากฝอยของ ของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็ไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็ยังเหลือแต่รากแก้วกขถอนทั่วขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม่ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตความสูญมันาะ ม, มันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทำไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วสูญมันความสูญมันอยู่ที่ไหนเราเราถึงได้มาพูดแต่ภพชาติคือความไม่สูญมันอยู่ที่จิต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 เรียกว่าส่วนผสมอาศัยจิตจิตก็เป็นของมีอยู่ถึงเข้ามาอยู่ได้ของมันมีจะเอามาได้อย่างไรนี่มันวนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบมันเข้าแล้วเป็นต้นเป็นกาเป็หญิงเป็นญายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วเราที่ว่าตายแล้วศูนย์ในขณะนี้มันสูญหรือไม่ศูนย์มันเอามาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ถ้าหากว่ามันศูนยญจริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮะนานนี่ปัญหาแก้ตัวเอง พิจารณาแยกแยะลงไปมันออกมาจากสิ่งที่ไม่อยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่ล่ะภพชาติคือความสืบต่อแห่งภพธัรมชาติเป็นกําเนิดเกิดในที่นั่นที่นี่มันมีเชือกมันอยู่ภายในจิตใจนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวภพตัวนี้จึงเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่ศูนย์เป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเติตตัวเจ็บตายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดส่วนความศูนย์มันมองไม่เห็นถ้ามันศูนย์ได้ยังไง มันสูญอยู่ที่ไหนเห็นแต่ความมีอยู่ภายในจิตใจความสูญภายในจิตใจมันไม่มีไม่เหน็นไม่ปรากฏ แ, แล้วตายแล้วมันจะสูญได้อย่างไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่จะให้สูญมันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้ น, น, นแล้วเราจะอะไรมาสูญความสาคัญมันมนสาคัญหลอกตนต่างหาความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่ทําให้เกิดมีอยู่ภายในจิตใจราก เงาเข้อมูลพองมันก็คืออวิชชานี่ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากกิตแล้วต้องเกิดวันยังคําตลอดกลับตลอดกันไม่มีกําหนดกดเจนไม่มีต้นมีปลายเลยก็ต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันสูญไปไหนมันได้จากความสําคัญเฉยผลสุดท้ายกับผู้ที่สําคัญมาตายแล้วสู ญ, ญนั่นแหละไปเกิดอีกไปราภความทุกข์ความลําบาก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 ด้วยอำนาจของกิเลสมาครอบงาําด้วยความต้องการมาหลอกลวงตัวเองตั้งนั้นความจริงมีอยู่ทําไมเราจึงไม่ดูความจริงก็คือใจใจนี่ไม่ศูนญเชื่อแห่งกิเลสที่เชื่อแห่งภพแห่งชาติซึ่งมีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกราที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจแล้วมันจะสูนญไปไหนจะศูนย์ได้อย่างไรนี่คือความจริงมันศูนย์ไม่ได้ความสําคัญเรามันศูนย์ได้ศูนย์ได้ตามความต้องการเฉยแต่ความจริงมไม่ศูนย์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 เพ่งของจิตเพ่งเรื่องค ว, ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการสั่งสมกิเลสวิถีทางเดินของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเดินอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่จิตมันหลั่งไหลออกจากที่จิตนี่ไปเป็นภาพต่างๆให้เราลุ้นเด้งมันเติงให้เราโศกเศร้าเสียใจนี้แต่เรื่องที่ภาพที่ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้นการเรียนจึงต้องเรียนลงที่นี้และต้องทางราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลําดับๆแล้วมันตัดขาดจากการเลื่อยๆขาดไปเรื่อยๆ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 เมื่อมันทราบชัดแล้วมันก็สลัดพาณาจิตีรูปก็าสักแต่ว่ารูปเวทน า, าก็าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณแต่และอย่างอย่างมันสักแต่ว่าตามความจรินของมันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ปัญญามันทราบลงไปอย่างนี้เมื่อทราบชัดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วใครจะไปกล้าถือทั้ nelle, ทงทั้งที่ทราบชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราใครจะไปกล้าถือว่าเป็นเราใครจะด้ยกล้าแบกหามว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเราไม่กล้าเพราะปัญญาอย่าง needle, ท, ท, <cre> ทราบหมดแล้วจะไปกล้าไง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 การตัดชิเลดเลียนอย่างนี้จนกระทั่งว่าธาตุขันก็สับแต่ว่าธาตุว่าขันหน่ะคือรู้ตามเป็นจริงและมันปล่อยอย่างนั้นแหละไม่มีใครมาบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยถ้าจสิงไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นคว้าเข้าไปจนกระทั่งถึงถึงความจริงคือเข้าใจเต็มภูมิแล้วปล่อยหนักสุดท้ายมีอะไรตัดนักฝอยเข้ามาโดยลําดับลำดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเอง ตัดไม่มีอะไรสื่อต่อกันแล้วพบชาติอย่างอื่นมันขาดไปโดยลําดับลําดับยังเหลืออยู่อะไรเนี่ยฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชานั่นแหละเนี่ยตัวกิเลสแท้กินก้านสาขาขกิเลสตัดขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้แท้ได้เจ้อวิชานี่อวิชชาจะอยู่ที่ไหนอมันอยู่ที่จิตเท่านั้นอวิชชาไม่อยู่ที่ ครอบอยู่กับกจิตจนกระทั่งจิตก็เข้าใจว่าอาวิชชานั้นเป็นตนต้นเป็นธรรมชาติ น, นั้นแหน่เมื่อปัญญายัา ง, ยางไม่ทราบชัดแต่มันก็ทนไม่ได้เพราะฟังคําที่ว่าปัญญาเถอะมีความฉลาดแหลมคมเมื่อนํามาใช้ในสิ่งใดก็ต้องเห็นความจริงในสิ่งนั้นแล้วเราเรานำมาใช้ในจิตซึ่งมีกิเลสคืออวิชชามีอยู่ที่จิตทําไมจะไม่ทราบแล้วทําไมจะทํำลายกันไม่ได้ทําไมจะตัดขาดกันไม่ได้เมื่อสิ่งอื่น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 ตัวนี้พายเกิดตัวนี้า ย, ายตายตายแล้วตายเล่าเกิดซ้าเกิดซากเกิดไม่หยุดไม่ถอยทุกซ้ำซากซากไม่หยุดไม่ถอยมายุติกันแล้วเหรือในครั้งนี้คราวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติที่ตรงที่ข้าเชื้ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนะเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เรียกว่าความเมยสุดนั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้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 เมื่อเรียนให้เขาถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สนายตัวมลงไปจึงได้เห็นโทษชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาแม้ในปัจจุบันชาติที่เราจําได้นี้เพียงเท่านี้เราก็ทราบชาัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้นถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ทําให้เราเกิดทุกข์แหน่รู้แล้วชัดเจน ทีนี้มีแต่ทำล้วนๆภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาทําใจให้มีทุกข์อีกต่อไปนี้ไม่มีเนี่ยมันแน่อย่างนี้แหละนี่เรียนธรรมะภายในจิตใจเรียนธรรมะภาษษพปฏิบัติภาพภาวนาเห็นจริงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้กิเลสแตกรกระจายไปด้วยวิธีนี้เนี่ยไปด้วยวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ด้วยวิธีจําเนี่ยเป็นวิธีทําการแก้กิเลสดรือการตัดกิเลสทํางานกับกิเลสทําอย่างนี้เมื่อกิเลสสิ้นสุดไปแล้วภายในจิตใจ จิตใจนั้นซึ่งเป็นเจ้าปัญหามาจากก่อนพ้ากิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่นี่แหละความสิ้นสุดของสูตรของวัตตะแต่ไม่ใช่ความศูนอันเรื่องความศูญของวัตตะนั้นถูกต้องคือมันไม่มันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูนย์สิส้นจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดจากเกิดตายต่อไปนั้นไม่มีเป็นความศูญชิ้นจากสิ่งนั้นถ้าเราว่าศูญอย่างนี้ถูกต้อง เขาจะศูนย์คินอะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทดนั่นเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความมือสุดเด่นสแสดงขึ้นมาอย่างเด่นชาติภ า, ายในจิตายจิตเป็นธรรมธรรมในจิตนี่ไม่ใช่ความศูนย์นี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วกิเลสสินส้นศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเหลือภ า, ายในพระทัยแล้วยังต้องอาศัยความมือสุดนั่นแหละประกาศธรรมสอนโลกมาตั้งสี่สิบาพระพันษาถึงได้พระนิพพานหากว่า ความบริสุทธิ์นี่ได้สูนญสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรมาประกาศศาสนาเล่าในขณะที่สิ้นจิเด็ดนั้นแล้วจิตก็ได้ศูญไปด้วยแล้วนําอะไรมาสอนโลกล่ะแปดหมื 80, ่นสีพันระธรรมขันธ์ไม่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่ศูญไม่ใช่จิตศูญนั้นจะออกมาจากไหนเนี่ยเรียนทําให้ถึงนี้หายสงสัยปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีเหลือเมื่อเรียนตก เจ้าปัญหานี่แล้วตัดเจ้าปัญหาออกจากภายในจิตใ จ, ใจใหมดปัญหาอยู่ไหนก็อยู่เธอเนี่ยความสมบูรณ์มีอยู่ที่ใจนี้ความสุขมีอยู่ที่ใจนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของที่เจ้าแล้วคนเราจะไมนน่ได้บ่นเรื่องความทุกข์ความลาบากาดาเนินไปตามหลักเหตุผลทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์จนก็ยอมรับว่าจนเพราะาเราอยู่ในโลกอนิจจังมันก็ต้องมีสูงมีตม่ำมีรุ่มรุ่นดอนมีไ ด, มด้มีเสียมาเป็นธรรมดาแต่เรียนธรรมานแล้วรู้ตามความจริงของมันไม่บน่น ทุกก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลมีก็รับตามเหตุตามผลไม่ปีนเปียวกับธรรมคือกติธรรมดาก็สบายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอตรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นำธรรมมาพิจารณ์ไม่มีเหตุผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการของใจยอย่างเดียวความต้องการนั่นแหลจะพาคนไปลงง่มจมความต้องการนั่นแลทําลายจิตใจคนให้รับคำดวลร่อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไร คือความต้องการมันต้องการด้วยไม่มีเหตุมีผลมิตรยาตะพัดตะคือยาไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยยาคนนั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่กินไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมาณภายในใจิตใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันมันต้องมากสิดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนา น, นวันนี้พูดถึงเรื่องวัตถจักรพูดถึงเรื่องความสูงความไม่สูง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 แบบปัญหานี่อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยแล้วอาศัยธรรมะพระเจ้ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดำเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหาตามที่กล่าม น, นี้จึงขอุติเพียงวันนี้เอวังวันนี้เอวังนะวันนี้ทุกวัญหาเหนียวเลยมันอะไรไมัรู้นะ